เสียงอ่านหนังสือคู่มือชีวิตสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตหมวดที่หนึ่งการศึกษาจากหนังสือการศึกษาฉบับง่ายจัดทำโดยครอบครัวจินวัฒนกุลชัยและครอบครัวเกษราทิคุณการศึกษาก็อยู่ในกิจกรรมทุกอย่างของชีวิตนี่เองจึงบอกว่า ตั้งแต่เกิดมาเราก็ต้องเริ่มการศึกษาแล้วเพื่อจะให้ชีวิตเป็นอยู่ด้วยดีเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเริ่มฝึกคนให้ศึกษาตั้งแต่ในการเป็นอยู่ประจำวันว่าการกินการอยู่นี่แหละเราต้องมีการศึกษาถ้ากินไม่เป็นไม่รู้จักใช้ตรายสิกขาในการกินการกินก็ไม่ได้ผลดีเรื่อง การศึกษาฉบับง่ายหลักการศึกษาหลักที่พระพุทธศาสนาสอนไว้ซึ่งเป็นหลักปลีกย่อยต่างๆที่เราเรียกว่าหลักธรรมทั้งหลายมีมากมายเหลือเกินการที่จะใช้ให้ได้ผลจริงก็ต้องจับหลักใหญ่ให้ได้ ธรรมะซึ่งเป็นหลักทั่วไปที่ทางครูอาจารย์ผู้บริหารได้พูดมาเป็นหลักใหญ่ๆอย่างที่พูดถึงเรื่องสิกขาสามก็ดีภาวนา4ีก็ดีเป็นหลักสำคัญโดยเฉพาะก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาแต่ที่จริงก็คือเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งหมดเพราะการพูดถึงเรื่องของพุทธศาสนาก็คือการที่จะนาเอาตรายสิกขาเข้ามาสู่ชีวิตของคนเพราะว่าในความหมายของพระพุทธศาสนา ไายสิกขาเป็นเรื่องของชีวิตคือการที่จะทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขคนเราพอเกิดมาแล้วก็ต้องพยายามเป็นอยู่ให้ดีเริ่มตั้งแต่เป็นอยู่ให้รอดคือให้มีชีวิตรอดแต่แค่รอดคงไม่พอต้องพยายามเป็นอยู่ให้ดีจะเป็นอยู่ให้ดีได้อย่างไรการที่จะเป็นอยู่ให้ดีก็ต้องศึกษานั่นเองตรงกับที่เราใช้ปัจจุบันก็คือเรียนรู้ เรียนรู้เป็นความหมายหนึ่งของการศึกษาคือการที่จะฝึกตัวเองพัฒนาชีวิตของตัวเองให้มีความสามารถที่จะเป็นอยู่ได้อย่างดีการศึกษาก็คือการที่จะทำให้ชีวิตเป็นอยู่ได้อย่างดีซึ่งเราต้องพยายามอยู่ตลอดเวลาชีวิตนี้แน่นอนว่าจะอยู่ได้ด้วยการศึกษาเพราะว่าเราต้องเจอสถานการณ์ใหม่พบคนใหม่หรือพบคนเก่าในสถานการณ์ใหม่ ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติการแสดงออกการตอบสนองอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่การคิดการรับรู้การที่เราพยายามจะเป็นอยู่หรือเรียกว่าดําเนินชีวิตของเราให้เป็นไปด้วยดีก็คือการต้องพยายามต้องฝึกตัวเองต้องรับรู้ประสบการณ์และหาทางที่จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีหรือแก้ปัญหาให้ได้อันนี้แหละเรียกว่าการศึกษา ถ้าชีวิตใดไม่พยายามที่จะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องหรือให้ได้ผลชีวิตนั้นก็จะเป็นอยู่ดีไม่ได้เมื่อไม่พยายามเป็นอยู่ให้ดีเราก็เรียกว่าไม่มีการศึกษาพระพุทธเจ้าเรียกคนอย่างนี้ว่าคนพานคำว่าพานแปลว่าอ่อนปัญญาหรือเขาเป็นอยู่สักแต่ว่ามีลมหายใจหรือมีชีวิตอยู่สักแต่ว่าลมหายใจ ถ้าคนจะมีชีวิตที่ดีก็ต้องพยายามเป็นอยู่ให้ดีคือต้องศึกษาการศึกษาจึงเป็นเรื่องตลอดชีวิตและตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะมีต่อเมื่อเข้าโรงเรียนเมื่อเราพยายามเป็นอยู่หรือทำชีวิตให้ดีเราก็ต้องปฏิบัติต่อสถานการณ์ต่างๆให้ได้ผลดีที่สุดใครที่สามารถปฏิบัติต่อประสบการณ์หรือปฏิบัติต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ผลดีที่สุดก็เจริญพัฒนา เรียกว่ามีการศึกษาที่ดีนี่เป็นเรื่องที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับการศึกษาไปไปมามาการศึกษากับการมีชีวิตที่ดีก็เป็นเรื่องเดียวกันและการศึกษาก็เป็นกิจกรรมของชีวิตนั่นเองฉะนั้นเมื่อพูดด้วยภาษาของพระพุทธศาสนาการศึกษาจึงเข้ามาอยู่ในชีวิตของคนเหมือนกับว่าเอาไตรสิกขามาฝึกคน หรือเอามาจัดเข้าในชีวิตของคนให้เกิดเป็นวิถีชีวิตที่มีองค์ประกอบ8ประการที่เรียกว่ามัคมีองค์8ดสิกขาแปลว่าศึกษามัค ก, ก็แปลว่าทางชีวิตเราสิกขาอย่างไรเราก็มีมัคคือวิถีชีวิตที่ดีงามขึ้นอย่างนั้นเมื่อสิกขามากขึ้น วิถีชีวิตของเราก็กลายเป็นมักรมากขึ้นคือก้าวไปในมักรมากขึ้นเรายิ่งทำไตรสิกขาให้เจริญมากขึ้นเราก็ยิ่งก้าวไปในมักรมากขึ้นฉะนั้นมักรก็เป็นเรื่องเดียวกับไตรสิกขาหรือเป็นอีกด้านหนึ่งของไตรสิกขาตามที่พูดมานี้ความหมายของการศึกษา จึงสามารถให้ได้หลายอย่างจะพูดแง่ไหนก็ได้เช่นว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาความสามารถที่จะเป็นอยู่ให้ดีที่สุดหรือการทำชีวิตให้งอกงามไปในมักดังที่กล่าวมาแล้วหลักการสอน การศึกษานั้นเป็นงานของชีวิตหรือเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกชีวิตเพราะพูดอย่างเนี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าหนักหรือหน้าเหนื่อยหลายคนหลายชีวิตยังศึกษาไม่เป็นก็ศึกษาไม่ได้ผลดีหรือบางทีแทบไม่รู้จักศึกษาเลยถึงตอนนี้ก็มีคุณครูเข้ามาคุณครูก็มาช่วยเราให้ศึกษาคือช่วยเราให้ศึกษาอย่างได้ผลการช่วยให้ศึกษานั้นเรียกว่าการสอน จะพูดว่าช่วยให้เรียนหรือช่วยให้เรียนรู้ก็ได้พอเด็กเริ่มดำเนินชีวิตคือเริ่มเป็นอยู่เขาก็เริ่มศึกษาคือพยายามให้ชีวิตของเขาเป็นอยู่ได้และเป็นอยู่ดีถึงตอนนี้คุณครูก็เข้ามาเช่นเด็กยังเดินไม่เป็นก็มาสอนเดินหรือช่วยให้เด็กฝึกเดินศึกษาการเดินหรือเรียนรู้ที่จะเดินให้เป็น คนที่จะช่วยให้เด็กศึกษาหรือฝึกเรียนรู้การเป็นอยู่พื้นฐานอย่างนี้ก็คือพ่อแม่ซึ่งอยู่กับเด็กใกล้ชิดเด็กที่สุดเพราะฉะนั้นทางพระจึงเรียกพ่อแม่ว่าเป็นครูคนแรกหรือครูต้นหรือบูรพาจารย์ทีนี้ที่ว่าครูเป็นผู้ที่ช่วยให้ศึกษาเรียกว่าสอนจนกระทั่งเมื่อว่าโดยสาระเรื่องของครูก็เป็นเรื่องของการสอนนั้น ต้องถามว่าครูสอนอะไรเราลองมาดูว่าครูใหญ่สูงสุดคือพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรเมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าพระพุทธศาสนานั้นที่เรียกว่าธรรมะก็คือความจริงของธรรมดาหรือธรรมชาติดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามความจริงก็มีอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนั้น พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำมาแสดงมาบอกมากล่าวให้เข้าใจง่ายว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็คือบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาความจริงของธรรมดานั้นเราจะรู้ไปทำไมเราต้องรู้ก็เพราะว่าเมื่อชีวิตของเราและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมดาหรือตามกฎธรรมชาตินี้ ถ้าเราไม่รู้ธรรมดานั้นไม่รู้ความเป็นไปของมันไม่รู้กฎธรรมชาติเช่นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเป็นต้นเราก็ปฏิบัติอะไรไม่ถูกแม้แต่ชีวิตของเราตั้งแต่ร่างกายของเราก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติเมื่อเราจะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเราก็ต้องรู้จักว่ามันเป็นอย่างไรดังเช่นแพทย์จะรักษาคนไข้ ก็ต้องเรียนเรื่องความจริงของชีวิตด้านร่างกายกันตั้งมากมายการรู้ความจริงตามธรรมดานี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดธรรมดานี่แหละยากที่สุดพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของธรรมดาและให้เข้าถึงธรรมดาเท่านั้นเองแต่ใครเข้าถึงธรรมดานี่แหละคือสำเร็จไม่มีอะไรยากไปกว่าเรื่องธรรมดาใครถึงธรรมดาคนนั้นก็สมบูรณ์เลย เราต้องรู้ธรรมดาเพราะว่าเมื่อเรารู้ความจริงที่เป็นธรรมดานั้นแล้วเราจะได้ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายให้ถูกต้องเหมือนรู้ความจริงของไฟแล้วก็ต้องปฏิบัติต่อไฟได้ถูกต้องและเอาไฟมาใช้ประโยชน์ได้การที่พระพุทธเจ้าตรัสคำสอนต่างๆนั้นพระองค์ก็เอาความจริงของธรรมดามาเป็นฐานถ้าใช้ศัพท์สมัยใหม่ก็คือเอาสัจธรรมมาเป็นฐาน คือสอนว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ถามว่าเราจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรตอนนี้แหละธรรมดาคือความจริงหรือสัจ ธ, ธรรมก็เรียกร้องหรือบังคับเราอยู่ในตัวว่าถ้าคุณจะเป็นอยู่ให้ดีจริงคุณจะต้องดำเนินชีวิตอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องทำเหตุปัจจัยอย่างนี้ถึงตอนนี้ คำสอนประเภทที่สองก็จึงเกิดขึ้นคือคำสอนประเภทที่เราเรียกสมัยนี้ว่าจริยธรรมจริยธรรมก็คือข้อเรียกร้องของสัจธรรมหรือข้อเรียกร้องของธรรมดาต่อมนุษย์ว่าถ้าคุณต้องการอยู่ดีคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องปฏิบัติอย่างนี้จริยธรรมก็จึงเป็นเรื่องของความจริงภาพปฏิบัติการที่สืบเนื่องจากธรรมดานั้น ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแต่งขึ้นมาและไม่ใช่คำสั่งของพระองค์พระองค์มาสอนโดยอาศัยความรู้ในความจริงนั่นเองด้วยเหตุนี้ถ้ามีรู้ความจริงถึงที่สุดแล้วการที่จะมาสอนหลักจริยธรรมก็ไม่สามารถสมบูรณ์ได้อันนี้เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันคำสอนที่เป็นเรื่องข้อปฏิบัติหรือธรรมะด้านที่เรานามาใช้ อย่างเรื่องไตรสิกขาและเรื่องมร ก, ก็อยู่ในประเภทนี้ที่พูดเมื่อกี้หมายความว่าการที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องสิกขาและเรื่องมรกก็เพราะว่าทรงได้ตรัสรู้สัจธรรมหรือความจริงตามธรรมดานั้นแล้วจึงมาตรัสบอกมนุษย์ทั้งหลายว่าธรรมดาเป็นอย่างนี้นะถ้าคุณปฏิบัติถูกต้องตามธรรมดาแล้วชีวิตของคุณก็จะเป็นอยู่ดีและสังคมของคุณ ก็จะอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าตกลงคุณก็ทำให้สอดคล้องกับธรรมดาหรือเอาความรู้ต่อธรรมดานั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างนี้นะเราจึงได้มีการศึกษากันความจริงเราก็ต้องศึกษาอยู่แล้วแต่เราศึกษาไม่เป็นคนจํานวนมากศึกษาไม่เป็นก็เลยทำให้เสียเวลากับชีวิตและผิดพลาดไม่เจริญก้าวหน้า บางทีก็พลาดพลั้งไปในทางเสียหายกลายเป็นความเสื่อมของชีวิตไปตรยศิกขาเดินหน้าไปกับชีวิตทั้ง3ด้านในเมื่อการศึกษาเป็นเรื่องของชีวิต คือการที่ชีวิตต้องพยายามเป็นอยู่ให้ดีและชีวิตก็ต้องเป็นอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ว่ามา น, นั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของชีวิตทั้งกระบวนที่เป็นอยู่ซึ่งเราจะแยกกระจัดกระจายออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลานี้จึงต้องย้ำบ่อยว่าไตรสิกขาก็อยู่ที่ชีวิตของเราทั้งหมดนี่แหละการที่ไตรสิกขามีสมอย่างก็เพราะตรัสไปตามสามด้านของชีวิตที่เรียกง่าย โดยใช้ศัพท์สมัยปัจจุบันมาเทียบว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมจิตใจและปัญญาแต่ในเรื่องพฤติกรรมขอย้ำว่าความจริงมันเป็นศัพท์ที่อาจจะเข้าใจไม่ถึงกับตรงกันทีเดียวเพราะเป็นการเอาคาสมัยใหม่มาเทียบเท่านั้นที่ว่าพฤติกรรมนั้นของพระหมายถึงการที่เราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งรอบตัวทั้งหมดซึ่งบางอย่างเราอาจจะใช้ศัพท์ปัจจุบัน ว่าพฤติกรรมไม่ถนัดเช่นการใช้ตาหูจมูกลิ้นคือใช้ตาดูหรือหูฟังเป็นต้นนี้เราจะเรียกว่าพฤติกรรมก็คงไม่ถนัดแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการสัมพันธ์กับโลกถ้าใช้ภาษาแบบละก็ว่าสัมพันธ์กับโลกแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าสิ่งแวดล้อมโลกก็คือทุกอย่างรอบชีวิตเดี๋ยวนี้โลกนั้น เรามาเรียกเป็นสิ่งแวดล้อมแยกเป็นสิ่งแวดล้อมทางวัตถุอย่างหนึ่งและสิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างหนึ่งแต่ภาษาพระเรียกว่าโลกหมดเลยชีวิตของเราสัมพันธ์กับโลกเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจและใช้กายกับวาจาสัมพันธ์กับโลกนั้นด้านนี้เราเรียกไปพลางก่อนว่าพฤติกรรม เรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือโลกทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องสัมพันธ์ให้ดีให้ได้ผลเป็นด้านที่หนึ่งของชีวิตแน่นอนว่าชีวิตของเราด้านที่หนึ่งคือการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือโลกหรือสิ่งภายนอกทั้งมนุษย์ทั้งวัตถุสิ่งของเครื่องใช้และธรรมชาติต่างๆเราต้องสัมพันธ์แน่นอนจึงต้องสัมพันธ์อย่างดีอย่างได้ผล ลึกลงไปการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้และจะสัมพันธ์อย่างไรก็ขึ้นต่อเจตนาคือเจตจำนงของเราซึ่งประกอบด้วยแรงจูงใจคุณภาพของชีวิตและสภาพจิตใจที่มีความสุขความทุกข์เป็นต้นโดยเฉพาะความสุขและความทุกข์จะเป็นจุดหมายหลักในความสัมพันธ์ของเราการที่เรามีพฤติกรรมทางกายหรือวาจาก็ตาม การที่เราใช้ตาดูหูฟังก็ตามลึกลงไปเรามักจะมุ่งเพื่อสนองความต้องการในแง่ของการหนีทุกข์และหาสุขภาวะทางด้านจิตใจจึงมีอิทธิพลต่อการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาคือเรามีจัตนาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีแรงจูงใจอย่างใดอย่างหนึ่งรวมความว่าจิตใจมีบทบาทตลอดเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้วยพฤติกรรม และอินทรีย์ต่อไปอีกด้านหนึ่งคือพร้อมกันนั่นเองเราจะมีความสัมพันธ์ได้แค่ไหนก็อยู่ในขอบเขตที่เรามีความรู้คือปัญญาของเรารู้เข้าใจเท่าไรอย่างไรแล้วเรามีความเห็นอย่างไรเราก็สัมพันธ์ไปตามนั้นแค่นั้นเราเข้าใจว่าถ้าเราทำอย่างนี้จะเกิดผลดีแก่ชีวิตของเราจะช่วยให้เรานีทุก หรือได้รับความสุขแล้วเราก็มีพฤติกรรมไปอย่างนั้นหรือสัมพันธ์อย่างนั้นเช่นเราคิดเห็นเข้าใจว่าดูสิ่งนี้แล้วจะมีความสุขเราก็มีพฤติกรรมและใช้อินทรีย์คือตาที่จะดูสิ่งนั้นอย่างนี้เป็นต้น สอนเด็กให้ได้ครบตรายสิกขาฉะนั้นในเวลาที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายนั้นจึงมีทั้งศีลสมาธิปัญญาครบหมดคือหนึ่งมีด้านพฤติกรรมซึ่งถ้าจะพูดให้เต็มความหมายยังไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรดีเคยลองใช้คำหนึ่งไปพลางก่อนว่าพฤติสัมพันธ์ซึ่งไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่กว้างกว่านั้น ซึ่งจะต้องหาดูว่าใช้สับอะไรจึงจะดีด้านนี้เรียกเป็นภาษาพระวศีลคือสัมพันธ์กับโลกภายนอกทั้งหมด 2. เบื้องหลังศีลก็มีจิตใจคือมีสภาพจิตใจซึ่งมีเจตนาหรือเจตจำนงเป็นตัวนำที่จะกำหนดให้เราสัมพันธ์อย่างไร 3. เราอีกด้านหนึ่งเหนือขึ้นไปเราจะสัมพันธ์ได้แค่ไหนอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามปัญญาเริ่มจากความคิดเห็นความรู้ความเข้าใจเท่าที่มีและยึดถือไว้3อย่างนี้มีตลอดเวลาแยกกันไม่ได้การพูดแยกกันเป็นการพูดในขั้นห ย, ยาบๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเมื่อเราทำกิจกรรมอะไรก็ตามสักอย่างหนึ่ง แต่ละคนสามารถพิจารณาหรือถ้าทำกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มก็สามารถพิจารณาก่อนทำก็ได้หรือตรวจสอบหลังทำก็ได้ว่าการศึกษาสามด้านของเราเป็นอย่างไรก่อนทำก็คิดดูหรือตรวจดูว่ากิจกรรมที่เรากำลังจะทำอยู่นี้ด้านที่หนึ่งคือด้านความสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้แก่ด้านศีล ดูว่ากิจกรรมการกระทำหรือพฤติกรรมของเรานี้จะเป็นการเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่ใครทำอะไรให้เสียหายหรือเปล่าหรือเป็นไปในทางส่งเสริมเกื้อกูลช่วยเหลือกันอย่างน้อยก็ไม่ก่อให้เกิดโทษไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือทำอะไรให้เสียหายด้านที่สองคือด้านจิตใจก็ดูว่าสภาพจิตของเราที่กำลังทำอยู่ หรือกำลังจะทำกิจกรรมอันนี้เราทำด้วยเจตนาอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรมีแรงจูงใจอะไรมีความหวังดีปรารถนาดีอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลหรือคิดร้ายมีจิตใจที่ชื่นบานแจ่มใสหรือขุนมัวมีความสุขหรือความทุกข์เป็นต้นด้านที่สามคือด้านปัญญาหรือด้านความรู้ความเข้าใจ ก็ตรวจดูว่าเรารู้เข้าใจสิ่งที่เรากระทํานี้ชัดเจนดีหรือไม่เป็นการกระทําที่ตรงตามเหตุปัจจัยจะก่อให้เกิดผลที่เราต้องการได้ครบถ้วนกระบวนการหรือไม่ทําไปแล้วจะเกิดผลดีผลเสียอะไรบ้างเป็นต้นทุกกิจกรรมเราสามารถพิจารณาทั้งสามด้านครบเลยอย่างนักเรียนจะทําอะไรสักอย่างคุณครูหรือหัวหน้าก็บอกว่าเออ เรายอมเสียเวลานิดหนึ่งมาช่วยกันคิดว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําเนี่ยเอามาตรวจดูกับชีวิตของเราสามด้านว่าเป็นไปด้วยดีไหมวันในด้านความสัมพันธ์ก็ดีนะ่ะไม่เบียดเบียนใครไม่ก่อความเดือดร้อนไม่เป็นโทษแต่ก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลด้านจิตใจของเราก็ดีด้านปัญญาเราก็ทําด้วยความรู้ความเข้าใจและคิดพิจารณาพอตรวจสอบชัดเจนแล้ว สิกขาครบสมด้านก็ทำด้วยความมั่นใจเลยสิกขาข้อศีลมีสองด้านเมื่อทำไปแล้วก็ตรวจสอบได้อีกคราวนี้วัดผลด้วยภาวนาสีเลยแต่เรื่องภาวนาสีนี้ ต้องโยงกับสิกขาสามหรือไตรสิกขาให้ดีต้องชัดว่าเราใช้ภาวนาสี่วัดผลของสิกขาสามอีกอย่างหนึ่งต้องชัดว่าสิกขาสามกลายเป็นภาวนาสี่เพราะเรื่องสิกขาสามเป็นการดูการทำงานแบบองค์รวมขององค์ร่วมสามเรียกรวมเป็นคำเดียวว่าไตรสิกขาแต่เรื่องภาวนาสี่ เป็นการจำแนกแยกแยะออกดูแต่ละด้านให้ชัดไปทีละอย่างภาวนาสี่ครูอาจารย์ที่นี่ทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วคือกายภาวนาศีลภาวนาจิตตะภาวนาและปัญญาภาวนาเมื่อเทียบกับสิกขาสามก็จะเห็นว่าภาวนาสามข้อหลังตรงกับสิกขาสามเลยแต่เพิ่มข้อแรกคือกายภาวนาเข้ามา จึงต้องทำความเข้าใจนิดหน่อยว่าสิคขาข้อแรกคือศีนนั่นแหละแยกออกเป็นสองอย่างเป็นกายกับศีลทำไมในภาวนาศีนนั้นแยกศีลเป็นสองอย่างก็อธิบายว่าศีลที่ว่าสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนั้นแยกย่อยออกไปเป็นสองด้านคือสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพด้านหนึ่งและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมด้านหนึ่ง ในเรื่องการภาวนานี้ต้องการดูทีละอย่างให้ละเอียดจึงแยกสีนซอยออกไปเป็นสองด้านแต่ในไตรสิกขาทำไมสีนจึงรวมหมดทั้งความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุและสัมพันธ์กับบุคคลและสังคมก็เพราะว่าในไตรสิกขานั้นสีนสมาธิปัญญาต้องเป็นไปพร้อมด้วยกันทั้ง3อย่างตลอดเวลาศีลจึงต้องรวมเป็นข้อเดียว เพราะในครั้งหนึ่งหนึ่งเราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเป็นอนุว่าการศึกษาก็อยู่ในกิจกรรมทุกอย่างของชีวิตนี่เองจึงบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเราก็ต้องเริ่มการศึกษาแล้วเพื่อจะให้ชีวิตเป็นอยู่ด้วยดีเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเริ่มฝึกคนให้ศึกษาตั้งแต่ในการเป็นอยู่ประจาวันว่าการกินการอยู่นี่หละ เราต้องมีการศึกษาถ้ากินไม่เป็นไม่รู้จักใช้ไตรสิขาในการกินการกินก็ไม่ได้ผลดีกินอย่างไรให้เป็นไตรสิขากินอย่างไรให้เป็นไตรสิขา การกินก็เป็นความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคือเป็นการสัมพันธ์กับวัตถุข้างนอกเพราะในการกินหรือรับประทานนั้นเราใช้ลิ้นใช้ปากสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกจึงเป็นด้านศีลถ้าใช้คือสัมพันธ์แล้วเป็นประโยชน์เกื้อกูลก็เป็นศีลแต่ถ้าใช้แล้วเกิดโทษก่อความเดือดร้อนก็เสียศีล พร้อมกันนั้นในขณะที่กินด้านจิตใจเราก็มีความพอใจไม่พอใจมีความสุขหรือความทุกข์ใจชื่นบานหรือขุนมัวเศร้าหมองตื่นตัวหรือมัวเมานอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งการที่จะพอใจไม่พอใจจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับปัญญาด้วยถ้ามองเห็นว่าที่เรากินเนี่ยมีความมุ่งหมายเพื่อให้สุขภาพดี ความพอใจก็เกิดขึ้นอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณามุ่งสนองความต้องการของลิ้นต้องการรสอร่อยความพอใจและความสุขก็จะไปอีกอย่างหนึ่งตัวปัญญาความรู้ก็มาเป็นปัจจัยหรือนำทางให้แก่ความสุขความทุกข์ด้วยและปรุงแต่งสภาพจิตใจเช่นความพอใจหรือไม่พอใจท่านจึงสอนว่าให้เอาปัญญามาใช้พิจารณาว่าที่เรากินนี้ เรากินเพื่ออะไรด้วยเหตุนี้แหละเมื่อพระบวชใหม่เราจึงมีประเพณีมาแต่โบราณว่าก่อนบวชต้องไปอยู่วัดท่องบทสวดมนต์และฝึกฝนตเตรียมตัวต่างๆบรรดาบทสวดมนต์ทั้งหลายนั้นบทที่ให้ท่องบทหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่รู้จักแล้วแต่เข้าใจว่าครูอาจารย์ส่วนใหญ่ที่มานี่คงรู้จักเรียกกันว่าบทปฏิสังขารโยซึ่งเริ่มต้นว่า ปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเป็นต้นซึ่งเป็นบทพิจารณาอาหารบทนี้รู้จักกันมากที่สุดที่จริงท่านให้พิจารณาหมดทุกอย่างมีบทเฉพาะสําหรับแต่ละอย่างแต่ละอย่างบทพิจารณาอาหารมีใจความว่าข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงบริโภคหรือฉันพัตนารนี้โดยมองเห็นว่า มิใช่บริโภคเพียงเพื่ออร่อยอร่อยเพื่อโก้โกเกยอะไรต่างๆแต่บริโภคเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้ชีวิตเป็นอยู่ได้เพื่อเกื้อหนุนแก่ชีวิตประเสริฐหรือการดำเนินชีวิตที่ดีงามคือนาร่างกายไปใช้ทำประโยชน์นี่เป็นการที่เรานําเอาปัญญามาพิจารณาเมื่อเอาปัญญามาพิจารณาเกิดความเข้าใจถูกต้องแล้วจิตใจก็เกิดความพอใจที่เปลี่ยนไป คือถ้าหากว่าต่ก่อนนี้มองเห็นอาหารไม่ถูกปากหรือไม่ได้อย่างใจหน่อยก็โกรธไม่ยอมรับประทานแล้วแต่ตอนนี้พอพิจารณาว่าประโยชน์อยู่ที่คุณค่าที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตให้มีสุขภาพแข็งแรงเราก็รับประทานได้ง่ายขึ้นทําให้มีพฤติกรรมในการรับประทานที่ดีงามถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่มีความพอใจที่จะรับประทานง่ายขึ้นเท่านั้นแม้แต่ปริมาณอาหาร ก็จะรับประทานไม่เกินควรไม่ใช่ว่าเห็นแก่อร่อยก็กินเรื่อยไปแต่จะกินพอดีอย่างที่เรียกว่าโพเชเนมัตัยุตาแปลว่ารู้จักประมาณในการบริโภคการฝึกระดับนี้ถ้าเป็นศีลของพระจะมีชื่อเฉพาะเรียกว่าปัจจัยสันนิสิตาศีลคือศีลที่อิงอาศัยปัจจัยสี่แต่มีอีกชื่อหนึ่งว่าปัจจัยปฏิเสวนา คือศีลที่เกี่ยวกับการเสพปัจจัยศีลประเภทนี้อยู่กับชีวิตประจำวันแต่ห่างเหินไปจากคนไทยเราจนเราแทบจะไม่รู้จักที่จริงศีลอย่างเนี้ยสำคัญมากในครอบครัวตั้งแต่ในบ้านมาที่โรงเรียนก็สำคัญเอาปัญญากับจิตใจ มาช่วยในการฝึกศีลจะเห็นว่าศีลอย่างนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่คือสิ่งของที่กินที่ใช้แต่ศีล น, นั้นก็สำเร็จด้วยปัญญาเราใช้ปัญญามาช่วยฝึกศีลแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราใช้ศีลเป็นแดนฝึกปัญญาไปด้วยแต่ตัวเด่นในกรณีนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งภายนอก จึงเรียกว่าศีลไม่เรียกว่าปัญญาแต่ในการที่ศีลจะเป็นไปได้นั้นก็เห็นชัดเลยว่าต้องอาศัยปัญญาที่รู้จักคิดพิจารณาและกินใช้ด้วยความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งด้านจิตใจก็มีความตั้งใจและพอใจเป็นต้นตามปัญญานั้นการที่เราเรียกว่าศีล ส, สมาธิปัญญาจึงไม่ได้แยกออกจากกันเด็ดขาดเป็นแต่เพียงว่า ในตอนนั้นๆจะเอาตัวไหนเป็นตัวเด่นขั้นสีนี้เป็นการฝึกในชีวิตประจําวันเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกคือเกี่ยวข้องกับวัตถุและเกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์เป็นด้านที่ง่ายๆหรือหยาบหน่อยมองเห็นชัดและในการฝึกด้านนี้เราก็เอาด้านจิตใจคือเรื่องสมาธิและการคิดพิจารณาด้านปัญญาเข้ามาช่วย จึงเป็นการบูรณาการอยู่ในตัวเลยจะเห็นว่าในชีวิตที่เป็นจริงเราไม่สามารถจะไม่บูรณาการถ้าเราไม่บูรณาการมันก็ไม่สามารถจะเกิดผลดีขึ้นมาได้ทั้งหมดนี้เมื่อมีการศึกษาถูกทางมันก็เป็นไปเองแค่ฝึกศีลเท่านั้นสมาธิและปัญญาก็มาเองแต่ต้องใช้ให้เป็น มันจึงเป็นเรื่องของไตรสิขาที่เป็นไปตลอดเวลาที่นี้มองดูในแง่มักก็ชัดว่าวิถีชีวิตที่ดีก็เกิดขึ้นเช่นในการที่เราจะรับประทานอาหารเมื่อรับประทานด้วยความเข้าใจถูกต้องว่าอ้อที่จริงคุณค่าและความมุ่งหมายที่แท้ของการกินก็เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้ชีวิตเป็นอยู่ดีพอเรามองเห็นและเข้าใจอย่างนี้ มันก็เข้าสู่แนวที่เรียกว่าเกิดสัมมาทิฏฐิใช่ไหมเนี่ยคือเป็นมรรคแล้วนี่แหละมาด้วยกันในเวลาที่เราพิจารณาไปความเห็นที่ถูกต้องก็ก่อตัวขึ้นมาจากการรู้จักคิดพิจารณาถูกต้องพอสัมมาทิฏฐิเกิดมันก็จะไปเป็นตัวตั้งต้นให้แก่วิถีชีวิตที่เรียกว่ามรรคให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง กระบวนการศึกษาและพัฒนาชีวิตก็ดำเนินไปอย่างนี้เป็นเรื่องของไตรสิกขากับมัสมีองค์8ประสานไปด้วยกันเราจึงบอกว่าเอาไตรสิกขามาบูรณาการให้เรามีวิถีชีวิตที่เป็นมัชซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มีองค์ประกอบแปประการเป็นอันว่าการศึกษามีตลอดเวลา พอกินอยู่เป็นก็คิดเป็นเองในการศึกษานี้เราเริ่มที่ศีลและเริ่มง่ายๆที่การเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเช่นการกินอาหารการใช้สอยบริโภคสิ่งต่างๆตลอดจนเทคโนโลยีทุกอย่างคือให้รู้จักถามตัวเองว่าที่เราใช้มันเนี่ยเพื่ออะไรคุณค่าที่แท้ของมันอยู่ตรงไหนถ้าเด็กรู้จักหัดพิจารณา เขาก็เกิดการรู้จักคิดใช่ไหมบางครั้งเราบอกกันว่าการศึกษาคือการคิดเป็นแต่ที่ว่าคิดเป็นนั้นบางทีก็นิ่งอั้นกันไปไม่รู้จะไปคิดตรงไหนที่จริงนั้นคิดเป็นก็เริ่มตรงนี้แหละคือเริ่มที่การกินอยู่ในชีวิตประจําวันนี่แหละพอเรากินอยู่เป็นมันก็คิดเป็นเองถ้าเราคิดไม่เป็นมันก็กินอยู่ไม่เป็น เพราะฉะนั้นให้ชีวิตประจําวันเป็นแดนเริ่มเองเลยพระพุทธเจ้าก็ให้ปัญญามาอยู่ที่ศีลนั่นแหละและปัญญากับจิตใจก็มาช่วยพัฒนาศีลขึ้นไปมาฝึกกันตั้งแต่นี้เลยอย่างเช่นอยู่บ้านลูกจะรับประทานอาหารพอถึงวันดีคืนดีคุณแม่ก็อาจจะถามว่าหนูลองคิดซิว่าที่เรากินเนี่ยประโยชน์ของอาหารมันอยู่ที่ไหนแน่หรือเรากินเพื่ออะไรกันแน่ อย่างนี้เด็กก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมนี่ก็คือใช้ความคิดกับเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตประจําวันนั่นแหละแล้วการคิดเป็นมันก็มาเองพอคิดเป็นก็ต้องคิดถูกใช่ไหมถ้าคิดไม่ถูกมันไม่เกิดผลดีเราจะเรียกว่าคิดเป็นได้อย่างไรคิดเป็นคือคิดถูกต้องที่จะทําให้เกิดผลดีถ้าคิดถูกต้องแล้วก็เป็นการคิดเป็น และคิดเป็นนั้นก็มาดูตั้งแต่ชีวิตประจำวันเช่นมาดูที่กินอยู่เป็นซึ่งเป็นเรื่องทางปฏิบัติที่ชัดเจนกว่าจะมาพูดว่าคิดเป็นคิดเป็นแต่ไม่รู้จะไปคิดที่ไหนเป็นอันว่าคิดเป็นก็อยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละทุกอย่างที่จะให้ได้ผลดีก็ต้องมีการคิดเป็นทั้งนั้นแล้วมันก็บูรณาการเอาปัญญาพร้อมทั้งจิตใจเข้ามาสู่กระบวนการหมดเลย คือกระบวนการของชีวิตประจำวันตั้งแต่การกินอาหารเป็นต้นไปจะใช้เสื้อผ้าละ่ะหนูก็ลองคิดดูสิที่เรานุ่งห่มเสื้อผ้าเนี่ยเพื่ออะไรประโยชน์ของเสื้อผ้ามันอยู่ที่ตรงไหนแน่บางคนใช้เสื้อผ้ามาเป็นสิบสิบปีก็ไม่เคยคิดเลยว่านุ่งห่มเพื่ออะไรบางทีก็หลงไปตามค่านิยมหลงไปตามกันทำตามๆกันไป ถ้าตามๆกันไปในทางที่ดีได้ความเคยชินที่ดีกลายเป็นแบบแผนที่ดีก็ดีไปแต่เมื่อไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไม่มีการคิดเป็นก็เสี่ยงอันตรายตามกันไปกันมาแบบลุ่มหลงเป็นโมหะชีวิตก็เสื่อมสังคมก็โสม วินัยคือจัดตั้งวิถีชีวิตแห่งไตรสิกขาในหลักการฝึกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เมื่อพูดถึงวินยัยเรามักไปนึกถึงแต่ศีลของพระแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปใช้ในวิถีชีวิตของญาติโยมก็เลยเสียประโยชน์ที่ควรจะได้สำหรับพระเนี่ยมีดีอย่างหนึ่ง คือมีวินัยชัดเจนวินัยนี้เป็นเครื่องมือที่จะสร้างวิถีชีวิตและเป็นตัวกำกับช่วยให้เรานำเอาระบบรายศิกคขามาใช้ได้พูดง่า ย, ายวินัยเป็นการจัดตั้งของมนุษย์เพื่อให้เป้าหมายทางธรรมชาติเกิดผลขึ้นมาเรารู้ความจริงแล้วว่าธรรมดาเป็นอย่างนี้เราต้องการจะมีชีวิตที่ดีงาม ธรรมชาติหรือธรรมดามันเรียกร้องให้เราทำอย่างนี้เอที่ว่าต้องทำอย่างนี้พูดสั้นๆว่าต้องตรายสิกขาแล้วจะมีวิธีอย่างไรให้คนทำอย่างนั้นหรือมีชีวิตอย่างนั้นละ่ะเราก็จัดตั้งวิถีชีวิตแบบนั้นขึ้นมาเรียกว่าวินยัยวินัยคือการจัดสรรหรือจัดตั้งระบบวิถีชีวิต ที่จะทำให้คนต้องดำเนินชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆอยู่ในแนวทางที่เราต้องการให้เป็นไปตามหลักไตรสิกขาเพราะฉะนั้นวินัยจึงมาเป็นตัวสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดกับศีลคือจัดตั้งให้เกิดเป็นศีลหรือจัดตั้งวิถีชีวิตที่จะให้มีสิกขาขั้นศีลเพราะศีลเป็นเรื่องของพฤติกรรม ซึ่งแสดงออกทางกายและวาจาชัดเจนออกมาการจัดตั้งที่เป็นรู ป, ปรธรรมซึ่งอยู่ในสังคมก็ออกมาในรูปของศีลที่จริงวินัยไม่ใช่แค่ฝึกศีลหรอกก็จัดตั้งให้เกิดโอกาสที่จะฝึกรายศีรษาทั้งหมดนั่นแหละแต่มันปรากฏชัดที่ศีลพอฝึกตามวินยัยมีชีวิตตามวินยัยตามรูปแบบที่วางไว้เนี่ยมันก็เกิดเป็นศีลขึ้นมา คือเป็นการดำเนินชีวิตด้านพฤติกรรมทางกายและวาจาเป็นต้นที่เป็นปกติอย่างนั้นศีลก็คือพฤติกรรมดีงามที่เป็นปกติอย่างนั้นแล้วอยู่ตัวแล้วหรือจะเรียกเป็นความเคยชินเลยก็ได้แต่หมายถึงความเคยชินในทางที่ดีถ้ามองเห็นความสาคัญของความเคยชินก็รู้ความสาคัญของวินยัย คนเราเนี่ยอยู่ด้วยความเคยชินเป็นสำคัญใครจะปฏิเสธได้ที่เราอยู่กันนี้เราทำไปตามความเคยชินแทบทั้งนั้นเราจะชอบอะไรเราจะหันไปหาอะไรเราจะพูดคำไหนอย่างไรแม้แต่จะเดินแบบไหนก็มักทําไปตามความเคยชินความเคยชินมีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจความเคยชินทางใจก็คือใจจะชอบอะไร เคยยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นคนที่ชอบไปเที่ยวห้างสปปรรพสินค้าความเคยชินจะออกมาเลยคนหนึ่งก็ไปเข้าร้านหนังสืออีกคนหนึ่งก็ไปร้านขายเครื่องใช้ของใช้ในบ้านอีกคนหนึ่งไปร้านเครื่องบันเทิงหรือสิ่งบำรุงบำเรอความสุขนี่เป็นไปตามการสั่งสมสภาพจิตใจที่เคยชินคนเราก็ทำไปตามความเคยชินนั้น พระพุทธเจ้าส่งเน้นความสำคัญของความเคยชินคนเรามีทั้งความเคยชินที่ดีและความเคยชินที่ไม่ดีถ้าเคยชินไม่ดีก็เสียหายซึ่งอาจจะทำให้เสื่อมได้มากถ้าไม่มีคนอย่างพ่อแม่หรือคุณครูที่เป็นกัลยาณมิตรมาช่วยนำเด็กก็อาจจะจับพลัดจับปลูไปสร้างความเคยชินที่ไม่ดีขึ้นมาเช่นเด็กเกิดนึกสนุกขึ้นมาถือไม้ติดมือเดินไป พอเห็นต้นไม้ดอกไม้ก็หวดซ้ายหวดขวาใบไม้ดอกไม้ขาดกระจุยต่อมาอีกวันพอเดินไปแกก็มีความโน้มเอียงจะทำอย่างนั้นอีกทำไปทำมาก็เคยชินติดนิสัยกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ทีนี้ก็แก้ยากละสิเพราะเหตุนี้เราก็เลยต้องพยายามเข้าชิงซะก่อนชิงกันระหว่างความเคยชินที่ดีกับไม่ดี โดยที่รอจริงให้ความเคยชินที่ดีเริ่มต้นได้ก่อนพอเคยชินดีแล้วเราก็สบายใจได้ฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในแง่หนึ่งก็คือการฝึกความเคยชินที่ดีนั่นเองและความเคยชินที่ดีนี้ก็เกิดขึ้นด้วยวินยัยคือการจัดตั้งระบบการวางระเบียบแบบแผนอะไรต่างๆให้มีการทำพฤติกรรมที่ดีกันจนเคยชินอยู่ตัว วินัยแปลว่าอะไรท่านแปลว่าการนำไปให้วิเศษภาษาของพระแปลได้อย่างนี้ซึ่งในภาษาทางปฏิบัติก็แปลว่าการฝึกนั่นเองแต่ห้ามแปลว่าข้อบังคับไม่รู้ว่าทาไมคนไทยไปแปลว่าข้อบังคับย้ำอีกทีว่าวินัยแปลว่าการนำไปให้วิเศษหมายความว่า ชีวิตมนุษย์เราเนี่ยจะดีจะวิเศษจะประเสริฐได้ก็ด้วยการนำไปให้ถูกทางถ้ามีผู้นำที่ดีมีประสบการณ์รู้เข้าใจเห็นทางถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วจะนำไปในทางที่ถูกต้องก็มาจัดตั้งวางระบบขึ้นเป็นวินยัยระบบการจัดตั้งเนี่ยสาคัญมากวินัยเป็นรูปแบบที่ว่าบางทีโดยที่ยังไม่ทันรู้ตัว เราก็ได้ความเคยชินที่ดีแล้วเป็นธรรมดาว่าเราจะหวังให้ทุกคนทำอะไรโดยต้องคิดพิจารณาทุกอย่างเนี่ยยากแต่โดยมากคนจะทำตามกันไปใช่ไหมเราไม่ทันดูไม่ทันช่วยเลยแกตามไปซะแล้วแกตามคนอื่นถ้าตามอย่างที่ไม่ดีไปเกิดเป็นความเคยชินที่ไม่ดีซะแล้วคราวนี้ก็เป็นปัญหาที่ยากเพราะฉะนั้น เราก็เลยหาทางให้มีวัฒนธรรมซึ่งเป็นความเคยชินที่ดีร่วมกันที่ถ่ายทอดต่อมาเอามาช่วยซึ่งก็อยู่ในเรื่องวินัยนี่แหละเป็นระเบียบแบบแผนรมเนียมจารีตประเพณีอะไรต่างๆซึ่งในที่สุดก็เป็นวิถีชีวิตขึ้นมาวินัยเป็นรูปแบบต้องรักษาสาระไว และสื่อสาระได้ในเรื่องการจัดตั้งที่เป็นวินัยนั้นเราก็ต้องการจัดตั้งวิถีชีวิตและแบบแผนของสังคมให้มันอยู่ตัวเป็นศีลให้ได้พอเรามีวิถีชีวิตอย่างนั้นอยู่ตัวแล้วมันก็กลายเป็นศีลขึ้นมาเพราะฉะนั้นวินัยจึงเป็นจุดเริ่มต้นแต่เวลาพูดกับญาติโยม เราไม่ได้ใส่ใจพิจารณาเราไม่นึกว่าญาติโยมก็ต้องมีวินัยเดี๋ยวเนี้ยจึงต้องย้ำกันเรื่อยว่านี่ที่จริงญาติโยมคารพหัดก็มีวินัยนะไม่ใช่มีแต่พระเวลาพูดถึงวินัยก็นึกถึงแต่วินัยพระถ้าไม่งั้นก็นึกถึงวินัยทหารและวินัยอะไรต่ออะไรแต่แท้จริงที่สําคัญอย่างยิ่งคือวินัยชาวพุทธวินัยชาวบ้านซึ่งทุกคนต้องมี พอนึกถึงวินัยของพระก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงฝึกให้พระมีวิถีชีวิตที่ดีด้วยอาศัยวินยัยจึงจัดตั้งขึ้นมาเป็นรูปแบบซึ่งถ้ารูปแบบนี้คนปฏิบัติโดยมีความเข้าใจใช้ปัญญาและได้จิตใจมาร่วมด้วยเช่นพอใจสมัครใจเต็มใจตั้งใจอยากฝึกให้เป็นด้วยก็ไปได้ดีแต่ถ้าไม่มีด้านปัญญาและจิตใจเข้ามา มันก็เหลือแต่รูปแบบแต่ก็ยังดีนะที่วินยัยภายนอกช่วยรักษารูปไว้ตราบใดที่ยังมีขวดก็ยังมีทางที่จะกรอกน้ำใส่ถ้ายังมีแก้วก็ยังมีทางไปตักน้ํามาดื่มถ้าตอนนั้นน้ำไม่มีแล้วเนื้อไม่มีมีแต่แก้วมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้าเรายังมีแก้วก็ยังดีกว่าไม่มีเลยใช่ไหม วันดีคืนดีเรารู้ว่าเอ๊ะแก้วเนี่ยมันไม่ใช่ของที่จะทิ้งไว้เฉยๆนะมันต้องเอามาใช้ประโยชน์ใส่น้ำดื่มหรืออะไรเป็นต้นเออเราก็เอามาใช้ประโยชน์เหมือนวินันแบบแผนที่เป็นรูปแบบเนี่ยนานๆไปสาระและความเข้าใจความหมายเป็นต้นมันหายไปเหลือแค่รูปแบบแต่รูปแบบเนี่ยก็รักษาไว้ เช่นสังฆกรรมหลายอย่างของพระเวลานี้เหลือเพียงพิธีกรรมพอเหลือเป็นพิธีกรรมก็เหลือแต่รูปแบบทำกันไปโดยไม่เข้าใจความหมายคิดไปอีกทีว่าเออก็ยังดียังรักษารูปแบบไว้ก็ได้ขั้นหนึ่งพอจะได้ความเคยชินที่ดีแต่ไปไปมามาเหลือเป็นเพียงความศักดิ์สิทธิ์เหลือเป็นความไม่รู้อะไรเลย ไปๆ ม, มาๆบางทีเควะทะเลทะไหลไปไหนไม่รู้เหมือนที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าในศีลของพระมีเรื่องการปฏิบัติต่อปั จ, จัจสีเรียกว่าปัจจยาปฏิเซวนาเป็นศีลชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาจะบวชพระเนี่ยสมัยอดีตต้องมาอยู่วัดก่อนและท่านก็จะให้ท่องบทสวดมนต์ต่างๆซึ่งมีบทสวดปฏิสังขารโยคือบทพิจารณาปัจจสีนี้ด้วย ต้องท่องหมดเรียกว่าปัจจัยปั จ, จเวคขณะแล้วก็มีทั้งบทสวดพิจารณาปัจจุบันและบทสวดพิจารณาอดีตหมายความว่าถ้าเผลอไปไม่ได้พิจารณาตอนรับประทานหรือตอนใช้ปั จ, จัยสีก็เอาไว้ตอนผ่านไปแล้วโดวยเฉพาะตอนทำวัดคําก็มาสวดกันเพื่อตรวจสอบทวนตัวเองจะได้สอนใจและได้วัดผลไปด้วย ที่นี้ก็กลายเป็นประเพณีของพระที่จะต้องท่องเข้าไว้พอถึงเวลาฉันก็เอา้าพิจารณานะแต่ไปๆมาๆสวดกันไปสวดกันไปกลายเป็นเศกอาหารเวลาเนี้ยตอนว่าปฏิสังขาโยบางทีเรียกกันว่าเศษอาหารหรือเศษข้าวเลยนึกว่าเวลาจะฉันเราสวดบทนี้เพื่อจะให้อาหารมันศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรทํำนองนั้นเรียกกันมาอย่างนี้ กลายเป็นคำที่ชาวบ้านเขาเรียกกันแต่เดี๋ยวนี้เลื่อนไปเลื่อนมาก็เลิกสวดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วยิงบวชกันสั้นๆก็เลยไม่รู้จักบางแห่งไม่รู้จักเลยปฏิสังขารโยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนและเลื่อนลางต่างๆที่เป็นไปได้และเป็นไปแล้ว รู้จักศีลครบสี่หมวดจึงจะเข้าใจคำว่าศีลวินัยมีประโยชน์อย่างที่ว่ามานี้แต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็คลาดเคลื่อนเลือนลางจนกระทั่งเนื้อหาสาระหมดไปก็อาจจะเขวกลายความหมายเป็นอย่างอื่นจนถึงขั้นใช้ผิดวัตถุประสงค์ไปก็ได้แต่นี่คือให้เห็นว่าการฝึก หรือการศึกษาตามหลักพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้การฝึกตนและฝึกคนเริ่มตั้งแต่ชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปตั้งแต่เรื่องการกินการอยู่ธรรมดาเนี่หละเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าการทำให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ดีเป็นสิกขาและชีวิตที่เป็นอยู่ได้ดีก็เป็นมักเพราะฉะนั้นการศึกษาก็คือการทาให้ชีวิต สามารถเป็นอยู่ได้อย่างดีและการศึกษาก็เริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็นเมื่อกินอยู่เป็นการศึกษาก็เริ่มทันทีเลยก็เลยอยากจะเน้นทุกคนในครอบครัวตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องใช้ศีลประเภทนี้ด้วยต้องมีศีลให้ครบอย่าไปเอาเฉพาะศีลห้าก็เลยต้องถือโอกาสพูดเรื่องศีลอีกนิดหนึ่งศีลของพระเนี่ยท่านจัดเป็นสี่หมวด ศีลหมวดที่หนึ่งปฏติโมฆะสังวรศีลศีลคือความสำรวมในปาติโมกอันนี้คือศีลแม่บทหรือศีลที่เกิดจากวินัยแม่บทคือวินัยแม่บทของชุมชนเป็นธรรมดาว่าชุมชนแต่ละชุมชนจะต้องมีกติกามีข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันที่จะคุมชุมชนให้อยู่ในแบบแผนเดียวกันอย่างประนีตงดงาม และกำกับความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการมีชีวิตแบบนั้นเช่นชีวิตครอบครัวของเราควรมีวัตถุประสงค์อย่างไรเราควรอยู่กันอย่างไรจึงจะได้ผลตามวัตถุประสงค์นั้นก็วางข้อปฏิบัติขึ้นมาเราเรียกว่ากติกาหรืออะไรก็ตามก็ตกลงกันไว้สําหรับข้าราชกทั่วไปหรือสังคมใหญ่เราเอาสินห้านี่ละ เป็นศีลปาติโมก ค, คือเป็นศีลแม่บทสำหรับคุมให้สังคมอยู่ด้วยกันดีจะได้เป็นฐานให้ชีวิตของแต่ละคนก้าวไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้นไปได้ศีลหมวดที่สองอินทรียสังวรศีลเป็นศีลอีกประเภทหนึ่งที่สำคัญคือการใช้อินทรีย์ตั้งแต่ตาหูเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด อินทรีย์เป็นเรื่องใหญ่มากคือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละโดยเฉพาะจะต้องใช้ตาเป็นใช้หูเป็นต้องดูเป็นฟังเป็นเรื่องนี้เป็นปัญหามากของยุคปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดปัญหามากมายเพราะคนใช้เทคโนโลยีไม่เป็นและการที่เราใช้เทคโนโลยีไม่เป็นก็เพราะไม่มีศีลด้านนี้ เมื่อศีลด้านอินทรียสังวรไม่มีเราก็ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นดูทีวีไม่เป็นใช้เครื่องเสียงใช้และเสพอะไรต่ออะไรแม้แต่อคอมพิวเตอร์โดยไม่รู้และไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเลยถ้าใช้อินทรีย์เป็นก็ใช้ด้วยสติและให้เกิดปัญญาให้เข้าหลักสติปัฏฐานในชีวิตประจำวันซึ่งมีหลักสาคัญอยู่ที่ว่าจะดูจะฟังอะไร ก็ให้ได้สองอย่างคือได้ญาณคือได้ความรู้ความเข้าใจเข้าถึงความจริงของสิ่งนั้นๆจับสาระได้และได้สติคือได้ข้อมูลไว้สำหรับระลึกใช้ประโยชน์ได้สองอย่างคือได้ความรู้ความเข้าใจและได้ข้อมูลไม่ไปตามชอบใจไม่ชอบใจไม่ติดอยู่แค่ถูกใจเพลิดเพลินถ้าเราใช้สติปฐานตั้งแต่เด็กๆ ก็สังเกตว่าเขาดูอะไรฟังอะไรแล้วเขาได้ไหม2ออย่างเนี่ยคือได้ความรู้ความเข้าใจและได้ข้อมูลไว้ใช้ได้สองอย่างนี้ก็เข้าสติปัะฐานแล้วคือจิตไม่ไปตามชอบใจไม่ชอบใจมันก็ไม่ไปหลงวุ่นวายอะไรแล้วพอใช้ตาดูหูฟังเป็นแล้วก็เป็นอินทรียสังวรแต่ถ้าตาดูหูฟังแค่เด็กดูทีวีถ้าแกไม่มีหลัก ไม่มีอินทรียสังวรก็ไปแล้วแกก็ดูแค่ลุ่มหลงชอบใจไม่ชอบใจเพลิดเพลินหลงมัวเมาไม่ได้ประโยชน์อะไรที่ควรจะได้เอาละ่ะไม่ว่าอะไรเรื่องบันเทิงสนุกสนานก็ว่าไปแต่อย่าให้มันกลายเป็นหลักนะความสนุกสนานบันเทิงนั้นเป็นตัวประกอบต้องถามว่าตัวแท้ที่เราต้องการหรือประโยชน์ที่แท้นั้น เราได้หรือเปล่าต้องให้เรื่องบันเทิงเป็นตัวประกอบและให้ได้ตัวแท้คือได้ความรู้เข้าใจและได้ข้อมูลไว้ระลึกใช้ทำไมในการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านเริ่มต้นโดยเอาศีลเป็นที่บูรณาการตรายศิขา ในเวลาดูต้องให้เกิดความรู้ความเข้าใจมองหาหรือมองเห็นเหตุปัจจัยอาจจะถามว่านี่คืออะไรมันเป็นอย่างไรมันเป็นมาอย่างไรมันเป็นเพราะอะไรเขาทำมันมาทำไมมันมีคุณมีโทษอย่างไรควรจะใช้อย่างไรเป็นต้นอย่างเนี้ยถามเข้าไปเถอะให้มันได้ญาณได้ความรู้และได้สติเพิ่มข้อมูลไว้ใช้ต่อไป เนี่ยถ้าเด็กดูหรือฟังอะไรโดยใช้หลักอินริยสังวรและเอาสติปัฏฐานมาใช้แกก็สบายชีวิตแกก็ดีไม่เกิดโทษแกตัวเองตัวเองก็พัฒนาและไม่เกิดโทษแก่พ่อแม่ครอบครัวแต่นี่เวลานี้ไม่มีหลักเลยเอาแต่ชอบใจไม่ชอบใจอย่างที่ทางพระท่านเรียกว่าตาดูหูฟังได้แค่ยินดียินร้ายอยู่แค่ยินดียินร้าย พอยินดียินร้ายก็ชอบชังพอชอบชังก็ปรุงแต่งตามชอบชังทุกโทมนัสความสุขสมนัสอะไรก็ไปตามนี้ความลุ่มหลงมัวเมาโลภโทสะโมหะมากันเป็นกระบวนเลยแบบของเราว่าญาณมัตตยะสติมัตตยะพูดเต็มว่าญาณมัตตยะปฏิสติมัตตยะเอานี่เป็นหลักเลยนะ ถามว่าได้ความรู้ไหมได้คติและข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์ไหมถ้าได้อย่างเนี้ยยิ่งดูยิ่งฟังเท่าไหร่ก็กลายเป็นดีแต่ศีลแค่เนี้ยเราก็ไม่เอามาใช้กันเลยถ้าเด็กไทยมีศีลแค่นี้เราสู้ได้เลยเทคโนโลยีอะไรมาจะมาเท่าไหร่เรามีอินซียะสังวรปับ๊บก็อยู่มือเราเลยเราใช้ได้ประโยชน์หมดเลยมันจะมาท่าไหนเราใช้เป็นหมด พอใช้เป็นก็เป็นศีลพอใช้ตาดูหูฟังเป็นแล้วทีนี้ฝรั่งญี่ปุ่นจะสร้างความเจริญมาอย่างไรเรารับมือได้ทันทีเลยคือเอามาทำให้เกิดประโยชน์ไม่กลายเป็นการสร้างความเสื่อมโทรมให้แก่ชีวิตและสังคมแต่เวลานี้คนไทยขอใช้สทบว่าถูกกระแสะความเจริญไหลามาท่วมท้นและจมตายอยู่ใต้กระแสะความเจริญนั้น ความหมายว่าปัญญาก็ไม่ใช้ใจก็ไม่ดีศีลก็ไม่มีใช้ไม่เป็นได้แต่ติดจมอยู่ใต้ความเจริญแทนที่ว่าฝรั่งญี่ปุ่นสร้างความเจริญมาเท่าไหร่เราขึ้นไปยืนบนความเจริญนั้นเลยอย่างเนี้ยจึงจะเก่งจริงการศึกษาถึงจะได้ประโยชน์เอาล่ะความเจริญอย่างนี้เทคโนโลยีเหล่านี้เขาสร้างมาแล้วเนี่ยแล้วเราต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้อง เราก็เอามาทำประโยชน์ใช้ให้เป็นให้ได้คุณค่าจากมันเต็มที่ให้เกิดผลดีแก่ชีวิตและสังคมของเราก็เท่านั้นแหละความเจริญมีมาเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเราทุนเวลาที่จะสร้างที่จะคิดทำสิ่งนั้นเราก็ขึ้นไปยืนเหนือความเจริญนั้นแล้วเอามันเป็นฐานที่จะก้าวต่อไปเลยที่นี้ทำอย่างไรจะให้คนของเราได้หลักการนี้ คือเอาความเจริญของเขามาเป็นฐานเพื่อเราจะยืนขึ้นและก้าวต่อไปแทนที่จะไปติดจมอยู่ใต้ความเจริญนั้นได้แค่ว้ายวนหมุนจมลงไปเลยการอยู่เหนือความเจริญหรือเอาความเจริญมาใช้ประโยชน์แค่เนี้ยเราก็ทาไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติตามศีลแค่อินทรียสังวรก็อยู่เราแล้วเราได้หลักเลยแล้วเราก็ใช้ความเจริญที่เขาสร้างมาเป็นฐานให้เราก้าวต่อไป ได้แค่ศีลเพียงขั้นกินอยู่ดูฟังเป็นเท่านั้นเด็กไทยสังคมไทยมีหรือจะไม่พัฒนาสำหรับศีลหมวดที่สามขอสลับหน่อยขอเอาเรื่องปัจจัยปฏิเซวนาที่เป็นข้อสีของท่านขึ้นมาก่อนเพราะพูดเกี่ยวกับเด็กเรื่องการเสพปัจจัยสีก็เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องกินเครื่องใช้ คือการกินอยู่บริโภคเนี่ยที่ว่ากินเป็นบริโภคเป็นใช้ของเป็นซึ่งได้พูดมาครั้งหนึ่งแล้วพอจะกินอะไรจะใช้เสื้อผ้าอะไรก็เข้าใจความมุ่งหมายว่าเพื่ออะไรมองเห็นคุณค่าประโยชน์ที่แท้ของมันว่าอยู่ที่ไหนแม้แต่จะใช้คอมพิวเตอร์ก็ต้องมองต้องคิดว่าคอมพิวเตอร์มีไว้เพื่อประโยชน์อะไรถ้าเรากินอยู่เป็นเวลาจะใช้คอมพิวเตอร์ เราก็คิดแล้วเรามีนิสัยคิดไปแล้วไม่ว่าจะกินอยู่บริโภคอะไรความคิดก็มาทันทีเลยความคิดเป็นก็มาประยุกเข้ากับเรื่องการกินอยู่ทุกอย่างฉะนั้นเวลาจะใช้คอมพิวเตอร์เราก็คิดว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยประโยชน์ที่แท้ของมันคืออะไรม่ใช่นึกได้แค่เล่นเกมแล้วก็จบกันถ้าใช้สีลข้อนี้ มันก็มีทางที่จะเกิดการศึกษาและสร้างสรรค์เด็กมาวัดเคยถามเด็กว่าดูดูทีวีวันละกี่ชั่วโมงดูรวมแล้วสัปดาห์ละเท่าไหร่แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เพื่ออะไรถามไปว่าดูดูทีวีเพื่อเสพกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อศึกษากี่เปอร์เซ็นต์เด็กไม่เคยแยกเลยตอนต้นก็อาจจะงงหน่อยพอเด็กแยกได้แล้ว แกบอกว่าหนูดูเพื่อเสพเสบอซอย่างเนี้ยก็แย่แล้วก็เลยถามว่าหนูแล้วที่หนูทำอย่างนั้นน่ะถูกต้องไหมดูเพื่อเสพ9บอร์ซนดูเพื่อศึกษาแทบไม่มีเลยเด็กบอกว่าไม่ถูกอ้าวแล้วจะทำยังไงดีละ่ะให้หนูคิดเองนะเพระไม่มีวินิจฉัยเด็กก็บอกว่าต้องแก้ไขเด็กว่าอย่างนั้น พอบอกว่าจะแก้ไขการศึกษาก็มาแล้วทีนี้ก็ถามต่อไปอีกว่าเอา้าแก้ไขเนี่ยหนูจะทำยังไงละ่ะก็ต้องดูเพื่อศึกษามากขึ้นและหนูจะเอาเท่าไรละ่ะเด็กบอกว่าห้าสิบห้าสิบดูเพื่อเสพห้าสิบ 50, ดูเพื่อศึกษาห้าสิบบอกว่าโอ้ยหนูเห็นใจไม่ต้องมากขนาดนั้นละ่ะการศึกษานะ่จากหนึ่งเปอร์ซ์มาเป็นห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันหนักมาก เลยบอกว่าหนูค่อยค่อยคิดเถอะพระเห็นใจหนูอยู่ในยุคเนี้กระแสสังคมเขาเป็นอย่างนี้ก็ให้ค่อยค่อยคิดในที่สุดเด็กบอกว่าเอาดูเพื่อศึกษา 30% เอร์ซนดูเพื่อเสพ 70% เอร์เซนเอาล่ะแค่นี้เริ่มต้นได้แล้วอย่างนี้เป็นการศึกษาพุทธศาสนาในชีวิตประจาวันเลยใช่ไหมยตรสิกขามาเสร็จเลย กินอยู่ดูฟังเป็นคิดเป็นจิตใจดีงามมีความสุขกับการทำสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราทำถูกทางเนี่ยมันมาเป็นกระบวนเลยรวมความวสิณด้านปัจจยปฏิเสวนาคือการกินใช้เสพบริโภคปัจจัยวัตถุสิ่งของเครื่องใช้เทคโนโลยีโดยรู้จักคิดพิจารณาอย่างน้อยให้รู้ว่ามันมีเพื่ออะไรประโยชน์มันอยู่ที่ไหน คุณค่าแท้คืออะไรอาชีวะเป็นแดนใหญ่ทั้งโดยกิจกรรมและโดยการเวลาในการที่จะเอาตรายสิกขามาพัฒนาชีวิตคนสีลหมวดที่สอาชีวะบริสุทธิ์ที่สีล์เป็นสีลด้านอาชีวะเรื่องของอาชีพการงานการเลี้ยงชีพ คือการที่จะได้จะมีปัจจัยสีมาเสรบบริโภคที่จริงท่านเอาปัจจัยปฏิเสวนาไว้ข้อสุดท้ายเพราะอะไรเพราะว่าเรามีอาชีพก่อนเราต้องรู้จักหาเลี้ยงชีพจึงได้ปัจจัยสีมาบริโภคแล้วก็บริโภคให้เป็นแต่เด็กได้ของบริโภคจากพ่อแม่หามาให้สำหรับเด็กก็เลยเน้นศีลด้านเสรบบริโภค อย่างไรก็ตามเด็กๆ ก, ก็ต้องเป็นอยู่ประพฤติตัวและทําหน้าที่ต่างๆให้สมกับการที่จะได้ของกินของใช้นั้นมาเสบริโภคเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องมีอาชีวะที่ถูกต้องเรียกว่าอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลแปลาตามตัวว่าศีลที่เป็นความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะซึ่งเป็นศีลอีกหมวดหนึ่ง อย่างในมรรคศีลประเภทนี้ก็คือสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากคนมักมองข้ามเรื่องอาชีพอย่าลืมว่าในมรรคสัมมาอาชีวะเป็นศีลข้อสำคัญบางทีศีลแปดท่านแสดงไว้สองชุดศีลแปดที่เราเรียกกันว่าอุโบสถศีล น, นี้แบบหนึ่งแล้วก็อาชีวะธรรมกาศศีลศีลมีอาชีวะเป็นที่แดอีกชุดหนึ่ง ชุดหลังนี้จะเน้นเรื่องอาชีวะคือการประกอบอาชีพให้ถูกต้องในการประกอบอาชีพนั้นก็ต้องดูว่าอาชีพต่างๆที่มนุษย์ตั้งกันขึ้นมานี้ทุกอย่างเขามีวัตถุประสงค์เพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตหรือแก้ปัญหาสังคมหรือเพื่อการสร้างสรร์อะไรสักอย่างหนึ่งทั้งนั้นดังนั้นเมื่อเราทำอาชีพอะไรเราก็ต้องทาให้ได้ผลสมตามวัตถุประสงค์นั้น ยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คืออาชีพแพทย์มีเพื่ออะไรอ้าวก็เพื่อไว้ช่วยบำบัดโรคช่วยคนไข้ให้หายป่วยให้เขามีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นคนประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามความมุ่งหมายของอาชีพนี้ก็คิดว่าฉันจะทำอาชีพนี้ให้ดีที่สุดก็คือฉันจะช่วยให้คนไข้าหายโรคให้เขามีสุขภาพดีส่วนเงินทองก็ได้มาประกอบ เหมือนเป็นครูอาจารย์เนี่ยอาชีพของเราก็คือเพื่อจะช่วยให้เด็กมีการศึกษาดีมีชีวิตเจริญงอกงามถ้าเราคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ของอาชีพแล้วศีลและผลดีก็แทบจะมาทันทีเลยแล้วเราก็จะรักวัตถุประสงค์นั้นและทำอาชีพด้วยความสุขทุกอย่างจะสอดคล้องกันแล้วชีวิตของเราก็สอดคล้องกับความเป็นจริงไม่เกิดความขัดแยง้ง แม้แต่ในใจตัวเองก็กลมกลืนราบรื่นมีความสุขและทำได้ผลดีด้วยจากนั้นก็หมายถึงว่าอาชีพเนี่ยทำแล้วไม่เกิดโทษไม่ก่อการเบียดเบียนแก่ใครซึ่งก็เสร็จไปแล้วในตัวแง่ต่อไปก็ให้อาชีพซึ่งเป็นเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตของเราวันหนึ่งตั้งแดชั่วโมง1ิบชั่วโมงเนี่ยให้เป็นดานพัฒนาชีวิตของตัวเอง คนเราจะพัฒนาตัวเองได้ก็ต้องอาศัยเวลาและอาศัยกิจกรรมในชีวิตเอออาชีพเนี่ยเป็นงานเป็นกิจกรรมเป็นเรื่องที่กินเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตถ้าเราพลาดมันไปเสียแล้วเราจะเสียเวลาไปเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเราก็เอาอาชีพนี่แหละเป็นแดนเป็นเวทีพัฒนาชีวิตของเราเราก็พัฒนาตรายสิขาไปเลยด้วยอาชีพนี่หละอย่างนี้เป็นต้น อย่างน้อยที่สุดอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลก็คือไม่ให้อาชีพของเราไปก่อการเบียดเบียนเกิดโทษทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใดหรือทําให้สังคมเสื่อมเสียและไม่ทําให้ตัวเองสูญเสียหรือเสื่อมจากการพัฒนาถ้ามีวินยัยชาวพุทธก็มีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการศึกษา ศีลสีส่แดนนี้น่าจะเอามาย้ำกันในหมู่ชาวพุทธไม่ใช่อยู่แค่ศีลห้าต้องรู้ว่าศีลห้าเนี่ยแม้จะสำคัญยิ่งนักแต่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวินัยชาวพุทธซึ่งมันเป็นเพียงพื้นฐานส่วนเริ่มต้นเท่านั้นเพียงแค่ว่าเป็นเกณฑ์อย่างตาที่ให้มนุษย์อยู่กันได้ในสังคมนี้ทำให้สังคมนี้ไม่ถึงกับลุกเป็นไฟแต่ถ้าคุณจะพัฒนาต่อไปจะมีชีวิตดีงามมีความสุขแล้ว คุณจะอยู่แค่ศีลหนะ้าน่ะไม่พอหรอกท่านจึงให้ศีลห้านั้นเป็นฐานรักษาสังคมหรือเป็นหลักประกันพื้นฐานอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่ให้สังคมลุกเป็นไฟให้คนพออยู่กันได้จะเป็นชาวพุทธจริงและจะให้ชีวิตและสังคมพัฒนาก็ต้องเข้าสู่วินัยชาวพุทธกันจริงๆอย่างที่บอกแล้วว่าเขรษหัดก็มีวินยัย ไม่ใช่พระเท่านั้นที่มีวินัยตอนนี้คิดว่าต้องฟื้นฟูวินัยชาวพุทธที่ภาษาคมภีร์ท่านเรียกว่ากิหิวินัยแปลว่าวินัยของข้ารือหัดได้แก่สิ่งคาลกาสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่สิ่งคาลกะมาณกตอนนี้ได้เอามาทําเป็นหนังสือเล็กๆ เ, เล่มหนึ่งเลยถ้าเป็นพระสูตรโดยตรงเวลาไปอ่านบางทีบางคนก็จับยากเพราะท่านว่าไปเรื่อยๆ ถ้าไม่จับมาตั้งเป็นหัวข้อจัดรูปแบบก็ดูยากก็เลยนำมาจัดเรียงตั้งหัวข้อลำดับจัดหมวดหมู่ให้เห็นชัดๆไปเรียกว่าวินัยชาวพุทธเมื่อได้พิมพ์เป็นหนังสือแล้วก็เลยจะไม่อธิบายขอพูดสั้นๆว่าถ้าชาวพุทธเรามีวินัยแบบนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตที่เอื้อให้การศึกษาเดินหน้าไปได้ถ้าเราไม่มีวิถีชีวิตที่เอื้อแล้ว การศึกษาก็เข้ามายากการศึกษาออกผลมาเป็นชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดีมีวิถีชีวิตดีงามที่พัฒนาไปในมัคจนเป็นภาวิศี ตรายสิกขากับมรต้องไปด้วยกันเมื่อเราดำเนินชีวิตไปเราจะฝึกให้ชีวิตพัฒนาก็เอาตรายสิกขาใส่เข้าไปในชีวิตชีวิตก็กลายเป็นมรต์ไปทีนี้พอชีวิตเป็นมรต์แล้วมันก็เอื้อต่อตรายสิกขาที่จะเดินหน้าต่อไปอีกมรต์กับตรายสิกขาก็จเจริญคู่กันไปฉะนั้นเมื่อสรุปประมวลทั้งหมดก็มาบรรจบ ก, กัน ทั้งไตรสิกขาก็เป็นศีลสมาธิปัญญาและมักก็สรุปย่อได้เป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ทางฝ่ายไตรสิกขาท่านเรียกเต็มว่าอธิศีลและสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาธรมมะหมวดสมาธินั้นเวลาเรียกชื่อเต็มจริงๆท่านไม่เรียกว่าสมาธิ ที่เราเรียกกันว่าสมาธินั้นเป็นการเรียกกันแบบง่ายๆสั้นๆว่าศีลสมาธิปัญญาแต่เวลาเรียกเป็นทางการท่านเรียกว่าอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาซึ่งเป็นเรื่องจิตใจทั้งหมดรวมทั้งสมาธิด้วยและอธิปัญญาสิกขาส่วนทางฝ่ายมัรค์มีองค์แประการท่านจัดเป็นขันเรียกว่าศีลขัน หมวดศีลสมาธิขันหมวดสมาธิและปัญญาขันหมวดปัญญาเมื <commission> อ <IS> ่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเคยมีผู้มาสนทนากับพระอานุ์เขาถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องอะไรมากที่สุดพระอานุนก็ตอบเขาว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสมากหรือธรรมะที่ทรงสอนอยู่เสมอก็คือเรื่องศีลขันสมาธิขันปัญญาขัน ซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติทั้งหมดทีนี้เมื่อเราปฏิบัติไปตามนี้ก็จะเกิดภาวนาขึ้นมาเป็นการพัฒนาชีวิตสด้านอย่างที่เคยบอกแล้วว่าเวลาปฏิบัติหรือในการฝึกนั้นเป็นสิกขาสามแต่เมื่อดูผลแยกออกเป็นภาวนาสีเพราะว่าสิกขาข้อที่หนึ่งแยกไปเป็นภาวนาสอง คือเป็นการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งวัตถุอย่างหนึ่งคือกายภาวนาและการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างหนึ่งคือศีลภาวนาในแต่ละขณะจิตมีไตรสิกขาครบทั้งสและมีได้พร้อมกันครั้งละสามเท่านั้นไม่เป็นสีเพราะอะไรเพราะว่าความสัมพันธ์กับวัตถุหรือกับสังคมนั้น ในขณะจิตหนึ่งสัมพันธ์ได้อย่างเดียวต้องอย่างใดอย่างหนึ่งของพระนั้นท่านแยกเป็นขณะจิตเลยในเมื่อขณะจิตหนึ่งสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างใดอย่างหนึ่งอันเดียวเพราะฉะนั้นในการฝึกศึกษาหรือสิกขาจึงต้องเป็นสแต่ในเวลาวัดผลเราต้องการดูรายละเอียดให้กระจางแจ้งก็ดูให้ชัดไปเป็นอย่าง ไม่ต้องดูพร้อมกันทีเดียวเลยแยกเป็นสี่ก็เป็นภาวนาสี่เพราะฉะนั้นเมื่อจะดูว่าเออคุณได้ศึกษามีไตรสิกขามาประสบความสาเร็จงอกงามดีแค่ไหนก็วัดด้วยภาวนาสี่เมื่อวัดด้วยภาวนาสี่ถ้าได้จบภาวนาสี่ก็เป็นพาวิศสีภาวนาเป็นตัวการกระทำหรือกิจกรรมของการพัฒนา ทีนี้เมื่อเป็นคนที่พัฒนาด้านนั้นนั้นแล้วก็เรียกว่าเป็นภาวิตย์ด้านนั้นๆรวมทั้งหมดก็เป็นภาวิทย์สี่คือภาวิตย์กายภาวิทย์ศีลภาวิตย์จิตและภาวิตปัญญาแปลว่าเป็นผู้มีกายที่พัฒนาแล้วหรือภาวนาแล้วมีศีลที่ภาวนาแล้วมีจิตที่ภาวนาแล้วแล้วก็มีปัญญาที่ภาวนาแล้ว ภาวนานี้ถ้าพูดตามสำนวนโบราณเรียกว่าจเจริญแล้วคือจเจริญกายแล้วจเจริญศีลแล้วจเจริญจิตแล้วจเจริญปัญญาแล้วเพราะภาวนาภาษาเก่าแปลว่าจเจริญเช่นวิปัสนาภาวนาคือจเจริญวิปัสนาสมถภาวนาคือจเจริญสมถะเมตตาภาวนาคือจเจริญเมตตา ภาวนาแปลว่าเจริญภาวิตแปลว่าได้เจริญแล้วรวมทั้งหมดก็เป็นภาวิตสี่คนไหนเป็นภาวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนนั้นคือพระอรหันต์จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการเป็นพระอรหันต์ผู้ที่มีภาวิตสี่ก็คือภาวนาครบสี่ด้าน และภาวนาสีนั้นวัดผลได้เลยใครมีภาวนาสีแค่ไหนก็พัฒนาเจริญไปได้รับผลการศึกษาเท่านั้นหรือมีชีวิตที่อยู่ดีได้เท่านั้นจนในที่สุดก็เป็นพาวิสีที่สมบูรณ์จบหลักสูตรพระพุทธศาสนาง่ายๆใช่ไหมดูก็มีนิดเดียวนี่ล่ะพุทธศาสนา